มีเวลาไม่มากนะประมาณยี่สิบนาทีพวกเราวันนี้ใสเหมือนหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้วันหยุดเวลาวันยังหยุดวันอังคารวันพุธอะไรงนเนะวนลาเพิ่มเราก็ไปอยู่วัดปีหนึ่งไปอยู่วัดช่วง มาฆะวิสาขะอสัญหะแล้วก็ช่วงเดือนธันวาไปอยู่ได้ทีหนึ่งก็ประมาณสิบวันแต่ไปก็ไม่ได้ไปนั่งเล่นนั่งคุยนะไปนั่งไปภาวนามีสติไปเช้าเช้าเขาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์เวลาที่เหลือภาวนา เราก็ขอไปอยู่ในป่าจนหินมังเป้งมันเป็นป่าเยอะต้นไมมันตายไปมากตรงที่เขาลือกันว่าตัวนี้ผีดุเราก็ไปอยู่ไปลองดูมันมีผีที่หินมังเป้งกลางคืนนะดึกดึกอ่ะมันจะหัวเรา ตัวมันสูงเทาต้นไม้นะหัวร้อฮแฮแ้แคนกลัวกันมากเลยพอไปเอาไฟฉ า, ายไปด้วยเพอมันหัวร้อนไฟฉายมันเป็นนกอะ่ะชาวพุทธเราชอบงมงายหลวพอเจอแบบนี้หลายรอบกนะ็เลยไม่กลัว มีข่าว่ังที่กลัวมากว่าไปอยู่วัดสาขาในพระทเทเด่นเราชอบภาวนานะท่านให้ไปอยู่ตรงทางเข้าประช้าเลยมีกุติอยู่หลังเดียวคนนะั้นไม่มีพระมาะอยู่เราก็กลัวผีตอนนั้นนะกลนงคืนนะได้ยินเสียงผีมันเดินแล้วมันก็ออกมาจากประชา้า กัดฟันกรอดกรอดกรอดเราต้องกลัวอย่างกลังหนาวๆนานะกลัวสงเงเวเปียกเลยเ <c oughs> จ็บใจมากเลยนะครับเปิดประตูกุติีอกมาสองไฟมามาไม่เข้าไปในปา่าช้าไปคาบกระดูกแล้รไม่เคี้ยวแคนมากเลยอายมามากมาเข้าไปได้เราเข้าบ้างคราวนี้ จดจ้องๆนะเดินเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ถอยออกมาเข้าไปใหม่เข้าๆออกๆสุดท้ายก็ไม่กลัวมัแล้วเป็นชาวพุทธนะอย่าง ง, ง, ง่มงายหลายเรื่องเลยที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดธรรมชาติที่จริงเป็นเรื่องธรรมชาติทั้งนั้นยังมาอยู่ที่กุฏิในวัดเนี้ย แล้วชอบบอกกลงคืนผีมาคอหน้าต่างจริงเพราะวตุกแกนะ่ะมันคาบแมลงแล้วเอาแนะมลงมาโคกในใจเรามันพร้อมจะกลัวผีแนละ้วก็วาดภาพผีขึ้นมาหลอกตัวเองมันเป็นชาวพุทธต้องมีเหตุมีผลไม่เชื่ออะไรที่ง ม, มงายต้องพิสูจน์ แต่ไม่ใช่แปลว่าเทวดาไม่มีผีไม่มีนะมีแต่ที่พวกเราสัมผัสส่วนมากของเก๊ยิ่งพวกเข้าส่งพวกอะไรนะี่ว่าเทวดามาเข้าส่งนะโกหกเทวดาเคยบอกว่ามนุษย์เนี่ยเหม็นมากเลยเหม็นเกเกโยด ไปเจอในพระไตรปิดกนะเทวดาเคยไปบอกพระพุทธเจ้าว่ามนุษย์เหม็นร้อยยดยอดหนึ่งสบหกิโลมนุษย์เนี่ยเทวดาไม่เข้าใกล้ในระยะพันหกร้อกิโลนะถนไม่ได้นี่เทวดารุ่นหลังจมูกคงเสื่อมลงหน่อยหนึ่งนะเลยเก้าสิบเก้ายด เพื่อนอย่างบอกเทวดามาเข้าทรงเราสำนักนั้นสำนักนี้อย่าไปเชื่อเป็นไปไม่ได้พวกที่มาเข้าได้พวกผีพวกเปรตหอกว่าสุรกายเราชาวพุทธไม่เชื่ออะไรที่งมงายสิ่งที่เราเชื่อคือกรรมกับผลของกรรมทุกสิ่งที่เราเจอเนี่ยไม่มีใครมาลิขิตให้เรา เป็นผลของการกระทําของเราเองอย่างเราหน้าตาใครเห็นแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้ะไม่เราโทษใครบางคนหน้าตาน่าเกลียดนะแต่คนอยากเข้าใกล้จิตใจเขาร่มเย็นเป็นสุขนะจิตใจมีความเมตตาหน้าตาไม่น่าดูนะแต่คนอยากเข้าใกล้ อย่างพวกเราเคยเห็นรูปพระพระสงค์เนี่ยบางองค์หน้าตาดูไม่ได้เลยนะเทียบกับมาตรฐานชาวโลกแเราไม่มีคำว่าสวยว่า ง, งามเลยนะแต่ควรจะไปนั่งมองนั่งดูอยู่ทั้งวันนะอยู่แล้วมีความสุขอย่างหล้งตามหาบัวนะท่าทางก็กระเป๊บกระประัปะ๊บนะแต่เข้าใกล้แล้วมีความสุขจิตใจท่านงดงามนีเ่เรื่องของกรรม ครูบาอาจารย์แต่และองค์มีวาสนามีบารมีไม่เหมือนกันบางองค์ภาวนาเก่งนะแต่ไม่มีใครเข้าไปหาเลยอยู่กับท่านเงียบๆนานๆจะมีคนไปถามธรรมสะสักคนนะอย่างหลวงปูด่ดูลงปู่ดูลนะคนไม่เข้าไปหาแต่ท่าน ท, ที่เก่งมากๆเปครูบาอาจารย์เ้ื่อกันนี้ยอมรับเลย รพระงค์ผู้ดูเนี่ยเจริญปัญญาอย่างเดียวเลยไม่เอาเรื่องอื่นเลยอาหารการกินอะไรของท่านนะก็อัตคัดเรไปดูแล้วท่านไม่ค่อยมีอะไรฉันประเภทท่าบอกก็คือจนนะผ้านู่ผ้าผมท่านนะจีบอท่านก็ป่านะมีรอยขาดรอยป่าเอาไว้ท่านก็ดีของท่านหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเนี่ยสบายเลยไม่มีใคร อยู่กับท่านนั่งคุยได้นะียอย่างหลวงปู่เทศนะเครื่องอยู่ของท่านคือเมตตาเครื่องอยู่ของหลวงปู่ดุลคือความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวอยู่ในสุญญาตาแล้อยู่กับสุญญาตาคนทั่วไปเข้าไปสัมผัสไม่ถึงก็ไม่เข้าไปหาเข้าไปแล้วเหมือนไม่รู้จัก อย่างหลวงปู่เทศท่านเจริญเมตตาอัปปมัญญาหลวงปู่ขาเจริญเมตตาท่านเหล่า น, นี้คนชอบเขาไปหานียทําไมคนชอบท่านเหล่า น, นี้คนไม่สนใจท่านนี้ก็เรื่องของกรรมท่านสะสมของท่านมาแต่ละด้านแต่ละด้านไม่เหมือนกัน แล้วคนชนิดไหนนะก็จะชอบครุกคลีกับคนชนิดนั้นเีนี้เราไม่เชื่ออะไรที่เกินธรรมดาเราเชื่อเหตุกับผลเหตุกับผลที่จริงมีสองระดับในระดับโลกียะนะก็มีเหตุกับผล เหตุคือตัวตัณหาตัวความอยากผลคือตัวความทุกข์นะเพราะนั้นใจเราอยากเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาคือทุกทันทีเลยอันนี้เป็นไฟโลกิยะเหตุกีบผลในไยโล ก, กุตระก็มีคืออริยมรรคเป็นเหตุอริยผลเป็นผลอริยมรรคือมรรมีองค์แปด ยอดลงมาคือศีลสมาธิปัญญาส่วนของปัญญาคือความเห็นถูกกัะการคิดถูกความเห็นถูกมีทฤษฎีนะีตัวคําว่าทิฏฐิเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตคือทฤษฎีมีทฤษฎีที่ถูกนะนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติต้องมีทฤษฎีที่ถูก มว่าการปฏิบัตินะได้ทําอย่างไรทําไปแล้วจะมีผลยังไงมีทฤษฎีชีน้นำะมีความเห็นถูกแล้วก็ต้องมีความคิดถูกดันก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติทางจิตใจนะี่นะเราต้องระวังความคิดของตัวเองก่อนความคิดนะั่นเป็นจุดตั้งต้นนะทําให้เกิดมโนกรรมเกิดวัจีกรรม การพูดเกิดการกระทาทางกายและกายกรรมมนแล้ว ม, มาจากการคิดทั้งหมดเลยนันพระพุทธเจ้าถึงเน้นลงมานมีทฤษฎีที่ถูกต้องละรู้แต่ว่าทางปฏิบัติละถัดจากนั่นคือระวังเรื่องความคิดของตัวเองเวลาคิดอย่คิดไปในทางกามมวิตกกามรมวิตกเนี่ยภาษาแขกฟังแล้วเบียนหัว คือคิดไปด้วยอำนาจของราคานะคิดไปด้วยอำนาจของราคะพยาบาทวิตกเดี๋ยวที่ท่านห้ามวิคิดไปด้วยอำนาจของโทสนะัวิหิงสาวิตกวิคิดไปด้วยอำนาจของโมหะเพราะนั้นเราต้องมีสติรักษาใจเราไว้นะถ้าเรารักษาใจไม่ดีนะใจมันจะคิดไม่ดีนะไอ้คิดไม่ดีเนี่ยคำพูดออกมามันก็ไม่ดี เมืามีทฤษฎีชี้นาที่ถูกนะก็เริ่มต้นด้วยการระวังความคิดของตัวเองพอนะเราควบคุมความคิดดูแลความคิดของตัวเองได้สัมมาวาจาก็เกิดเมื่อมีสมาทิฏฐิก็ทําให้สัมมาสังกปปะคือการคิดนะถูกต้องความคิดถูกต้องก็ทำให้สัมมาวาจาหรือวาจาถูกต้องขึ้นมาคําพูดของเราถูกต้องนะระหว่าง การกระทํากรรมทางกายกับวาจาอันไหนทำง่ายกว่ากันวาจาท่านถึงเน้นมาที่วาจาก่อนเรื่องวาจาสําคัญนะพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าคนที่โกหกได้เนี่ยทำชั่วได้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นระวังวาจาของเรานะระวังวาจาได้เพราะเพราะว่าระวังใจ การคิดเนี่ยต้องต้องระวังให้ดีอย่างพระเนี่ยมาบวชพระหนุ่มหนมนะมันก็มีความรู้สึกทางเพศไม่ใช่ขันธ์ทียเวลาราคะกามราคะเกิดนาพระเนี่แทบจะหัวโค้ข้างฝาเลยทรมานมากโยมให้ทรมานโยมเห็นว่าเป็นกามคุณนะแต่พระเห็นว่าเป็นกามมโทษเกิดขึ้นแล้วทุกทรมานหลวงพ่อบอกอย่าไปกลัวมันอย่าไปคิดตามเท่านั้นะ เวลาฮอร์โมนเพศมันกระตุ้นให้ทํางานขึ้นมามนะัจะกระตุ้นให้เราจินตนาการในเรื่องกลามแอย่าไปจินตนาการนะอย่าไปคิดต่อถ้าคิดให้คิดกับข้างเลยนะคิดเรื่องปฏิกูลเรื่องอสุภาเรื่องอะไรเนี้ยกับข้างเลยเนี่ยเราระวังความคิดของเราแทนที่จะคิดไปในทางกิเลสนะกิเลสจะยิ่งแรงขึ้นคิดกับข้างกับกิเลส มีโทสะเขาไม่ได้คิดไปตามอำนาจโทสาะนะคิดกับข้างมันในทางเมตตานะมีราคะแต่เย่คิดไปในทางเกื้อหนุนราคะคิดมาทางอาสุภนะนี่เป็นเรื่องเรื่องความคิดของเราทั้งหมดเลยแล้วไม่นจะได้สมาธิขั้นต้นด้วยนะนี่พราะความคิดเราดีคำพูดเราก็ดีนะ คำพูดเราดีแล้วเนี่ยมันพูดออกมาจากใจที่ดีนะการกระทาของเราก็จะดีไม่ใช่บางคนนะมันพูดเพราะนะมันพูดดีนะแต่ใจของมันคิดชั่ว<ม>อย่างนี้เป็นของปลอมนะนี่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ความคิดของเราดีคำพูดของเราดีการกระทาของเราก็จะดีนะการกระทาก็คือตัวสัมมากัมมันตะนี่ถ้าเราคิดดีพูดดีทําดีแล้วเนี่ยการเลี้ยงชีวิตของเรามันจะดี มันเลี้ยงชีวิตแบบชอบชนอะไรไม่ได้หรอกเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ได้เพราะว่ามันคิดดีมันพูดดีมันทําดีแล้วไปหากินในทางชัวง่วทําไม่ได้เพรนสัมมาคัมมันมาตานี่นะจะเกื้อกูลให้สามารถอาชีวะบริบูรณ์ขึ้นมาอาศัยสัมมาทิฏฐิในเบื้องตน้นรธธู้ทฤษฎีในการปฏิบัติที่ถูกนะก็จะทําให้ การควบคุมความคิดของตัวเองคือสัมมาสังกัปปะสมบูรณ์สัมมาสังกัปะสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะเกื้อกูลสัมมาวาจายให้สมบูรณ์สัมมาวาจาสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะควบคุมเกื้อกูลให้สัมมากรรมันตะสมบูรณ์สัมมากรรมันต์สมบูรณ์แล้วเนี่ยสัมมาอาชีวะก็จะสมบูรณ์นี่การเลี้ยงชีวิตของเราราบเรียบนะมีความสุขแล้สบายไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่น มันเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตนะแต่ถ้าเราคิดชั่วนะพูดชั่วทำชั่วหากินชั่วช่วนะใจไม่สงบสุขนะตรงที่เราดำรงชีวิตอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันเกื้อกูลต่อสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็คือการมีความเพียรชอบนะ เพียรลดละกิเลสที่มีอยู่แล้วเพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียร ท, ทํากุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นตัวนี้าานก็อาศัยสติรู้เท่าทันจิตอีกนั่นแหละอาศัยสติรู้เท่าทันจิตตัวเองนั่นแหละ ท, ทันทีที่กิเลสมันเกิดขึ้นเรามสีสติรู้ทนันกิเลสจะดับทันทีเพราะฉะนั้นกิเลสที่กํลกลาลังมีอยู่เนี่ยพเ ม, มืม่อเรามีสตินะกิเลสจะดับ ในขณะที่เรามีสติอยู่เนี่ยกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้กิเลสเกิดได้ตอนขาดสติเท่านั้นในขณะที่เรามีสตินะกุศลก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าตัวสติคือตัวกุศลแล้วเรามีสติไปๆนะกุศลจะเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาจะดีขึ้นสุดท้ายวิมุตตก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเพียรหลวงปู่ ม, มั่นสอนชัดเลยนะว่า มีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรเพราะเรามีสติดูเรียนรู้ใจของเราไปเรื่อยๆืเรารู้เป้าหมายของการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อลดร้ายกิเลสนะเพื่อเจริญกุศลนี่คือเป้าหมายที่เราจะพู้ไปเป้าตัวนี้ถ้าภาษาอังกฤษนะจะเป็น goal นะไม่ใช่ตัว objective นะเป็นเป็นเป็นเ้าเป็นเป้ า, ปปาแต่ละจุดแต่ละจุดที่จะมู่ไปถ้ามีกิเลสอยู่ต้องพยายามลดละมันกุศนละอะไรยังไม่เจริญก็ก็เจริญซะนะสำรวจใจตัวเองไปพอเราคอยระวังเรื่องกุศลเรื่องอกุศลในใจเรานะมันจะมีสติสมบูรณ์ขึ้นมา เรื่อสัมมาวายามะของเราการที่เราคอยระแวดระวังจิตใจตัวเองเนะี่ยจะทำให้สัมมาสติบริบูรนณะ์สัมมาสติก็คือการที่เรามีสติคอยรู้กายมีสติคอยรู้ใจถ้าเมื่อไรเรามีกิเลสเนะี่ยมีกายลืมกายมีใจลืมใจนะแต่บางทีจิตเป็นปุสนก็ลืมกายลืมใจได้นะเอกใจคิดอยากจะทำแต่ความดีอะไรนะเพลิดเพลินไป เพรา้ตรงตรงนั้นก็ต้องคอยระวังเวลานมีกิเลสเจอือแล้วอย่างอยากทําบุญอย่างอะไรเนี่ยนะเพราะว่าอยากได้ผลตอบแทนที่ดีอยากรวยอะไรเงี้ยเนี่ยมีกิเลสเจอือถ้าเราสังเกตใจตัวเองเราเรื่องรู้ทําความดีเนี่ยยังเจือกิเลสอยู่นี่พอใจเรามีสติชํชนานี้ชํานาญแล้วนะน้อมสติเนี่ยมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจเนี่ยทำสติปัฏฐานเมื่อพระพุทธเจ้าอาธิบาย สัมมาสตินะด้วยสติปัฏฐานสีนะไม่ใช่สติอย่างโลกโลกนะเดินจุกลมหามลูกหามคำาไม่ได้เรียกว่า ม, มีสมาสตินะแต่ ว, ว่ารู้เท่าทันขายรู้เท่าทันใจไปนะสัมมาสติที่บริบูรณ์เนี่ยจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ ตัวนี้คือตัวที่หลวงพ่อสอนได้่อ้ๆว่าทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตเราหลงไปไหลไปนะสมาธิจะเกิดขึ้นเองในความเป็นจริงแล้วไม่เฉพาะการรู้ว่าจิตไหลไปสมาธิถึงจะเกิดหรอกในความเป็นจริงแล้วว่าไม่ว่าจะรู้สภาวะตัวใดนะสภาวะธรรมรูปธรรมหรือนามธรรมอันใดอันหนึ่งก็ตา่างถ้ารู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเอง ยังโกรธรู้ว่าโกรธปุ๊บจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยรอบหรือว่ารลภเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยแต่ทําไมครูบาอาจารย์เน้นตรงที่จิตคิดจิตคิดคือจิตหลงจิตหลงเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดจิตโลบจิตโกรธยังเกิดไม่บ่อยเท่าจิตหลงยั้นท่านสอนเนี่ยคล้ายๆตีเมืองหลวงมันเลยแทนที่เป็นลบกับลูกน้องมันปลายแถวนะตีหัวหน้ามันให้ตายสัทีเดียวนี่ ถ้าหัวหน้ามันตายนะลูกน้องมันไม่มีความหมายแล้วหัวหน้าของกิเลสก็คือตัวโมหะตัวหลงนี่นเรามีสติรู้ทันจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้ตัวนี้สุดยอดของการปฏิบัติจิตหลงแล้วรู้เราจะได้อะไรบ้างจิตหลงไปคิดนั่นแหละส่วนใหญ่คือหลงคิดนะจิตหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้ เราเห็นบ่อยๆจิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้นะต่อไปจิตจําสภาวะที่หลงคิดไดนะ้พอมันจะเคลื่อนไปคิดท่าน่ะสติเกิดลนะเพราะฉะั้นการที่หลงไปคิดแล้วเราเห็นบ่อยๆเราจะจําการหลงคิดได้เมื่อจําสภาวะหลงคิดได้นะสติจะเกิดอัตโนมัติสติจะยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่เดิมหัดใหม่ๆนะหลงไปวันหนึ่งแนละ้วถึงจะรู้นะ นี่เราหัดรู้ทันจิต ท, ที่หลงคิดบ่อยๆนะตามมาหลงชั่วโมงหนึ่งก็รู้หลงห้านาทีก็รู้นะหลงนาทีหนึ่งก็รู้ต่อไปขยับตัวเพื่อจะหลงคลิกเดียวนียก็รู้แล้วสติจะเร็วขึ้นแรวขึ้นเรวขึ้นเพราะฉั้นเราคอยรู้ทันการหลงคิดมาให้ดีเถอะแล้วสติของเราจะดีขึ้นเมื่อสติดีขึ้นเนี่ยศีลจะดีขึ้นเพราะสติเกิดแล้วอกุศลมีไม่ได้อกุศลไม่มีทำผิดศีลไม่ได้ พอจิตไหลไปเราเรารูนะ้การไหลนั้นดับจิตไหลไปนะั้นเพราะอำนาจของความฟุ้งซ่านอุทธัจจะเป็นตัวโมหานะเพราะฉะนั้นจิตไหลเรารู้เนี่ยโมหะจะดับอุทธัจจะจะดับความฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิจะเกิดนะวิธีทําให้สมาธิเกิดไม่ต้องไปนั่งทําให้เสียเวลาหรอกไม่ฟุ้งซ่านแค่นั่นเองสมาธิเกิดแล้วนะนี่เป็นวิธีที่ทําสมาธิที่ง่ายที่สุดแล้วนะ รู้ทันจิตที่ฟุ่งสร้นสมาธิเกิดแล้วนี่จิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้ไปเรื่อยๆต่ไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปไหลไปก็ไม่เที่ยงจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงไปไหลไปเกิดแล้วก็ดับนะจิตรู้ก็รักษาไว้ไม่ได้จิตที่หลงไปไหลไปก็ห้ามไม่ได้ตัวนี้เห็นอนัตตา ในการที่เราจิตหลงไปแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยเราจะเห็นไตรลักษณ์คือเห็นอนิจจังกัอนัตตานะนามาธรรมเนี่ยจะดูอนิจจังอนัตตาง่ายรูปธรรมจะดูทุกขังอนัตตาง่ายอย่างกายเนี่ยดูทุกข์ไม่จิตดูให้เป็นทุกข์ยากนะยากมากมากเลยเพราะจิตมันเปลี่ยนอารมณ์เร็วพอมันเบื่อปุ๊บมันไปจับอารมณ์ใหม่ละมันไม่ทุกข์ให้ดูลนะแต่ทางกายเนี่ยมันไม่สบายทิงทุกข์ตั้งนาน มันดูง่ายเราะฉะตัวกายตัวรูปเนี่ยดูตัวทุกข์ง่ายเลยนะดูอนัตตาก็ได้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอย่างอุปชาทุกอง์อย่งต้องสอนทุกศิษย์นะเรื่องกรรมฐานห้าข้อผมขนเล็บฝันหนังทําไมเน้นอยู่ผมขนเล็บฝันหนังร่างกายไม่ได้มีแค่ผมขนเล็บฝันหนังแต่ผมขนเล็บฝันหนังเนี่ยดูง่ายที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราทุกเดือนเราตัดผมใช่ไหม ผมตัดออกมาแล้วไม่ใช่เราแล้วเห็นได้ชัดๆโคนอย่างคุณบาก็โคนหนวดโคนคราวอะไรเงี้ยนะเราก็โคนออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่เราแล้วทุกคนที่ว่าโคนโหนวดโคนคราวนะเล็บตัดเล็บทุกวอาทิตย์นะเล็เป็นเราไหมก็ไม่เป็นนะฟันใครไม่เคยฟันหลุดเลยโตป่านนี้ไม่มีอ อย่าน้อยฟันน้ำลมฟันน้ำลมหลุดมาแล้วเมื่อฟันหลุดออกมาก็ไม่ใช่เราแล้หนังเคยหนังถลอกไหมบางคนมีขี้หลังแขกขี้หัวใช่ไหมหนังร่อนออกมาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกรรมาฐานห้านะผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นของที่ดูง่ายพระพุทธเจ้าจถึงสอนให้ดูถ้าจะดูกายนะว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยดูผมคนเล็บฟันหนังก่อน ดูห้าตัวนี้ได้แล้วต่อไปก็ดูเอ็นดูกระดูกดูเยื่อในกระดูกดูอะไรต่ออะไรดูต่อไปได้ง่ายไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ค่อยๆเรียนรู้นะรู้กายลงไปก็เห็นความจริงร่างกายนี้แต่ไม่้วยความทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าดูจิตนะก็จะเห็นนะจิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลง แล้วก็เห็นอนัตตามันจะรู้หรือมันจะหลงเลือกไม่ได้มันจะรอบหรือไม่โลบเลือกไม่ได้มันจะโลวดหรือไม่กลวดเลือกไม่ได้เนี่คือหลักของการปฏิบัตินะมัสมีองค์แปดเนี่ยครบละถ้าเราทําได้อย่างนี้นะจิตตั้งมั่นแล้วมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมไปไม่ยอมแพ้กิเลสนะถึงจุดหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นวิมุตติจะเกิดขึ้น เราเดินในเส้นทางนี้สิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยคือทฤษฎีที่ถูกต้องสามารถทิฏฐิในขั้นต้นนะต่อไปพวกเราเระวางความคิดของตัวเองอย่าปล่อยใจให้คิดชั่วนะคิดในคิดให้เป็นกุศลไว้แล้วพอเราควบคุมใจควบคุมความคิดได้นะการกระทาการดำารงชีวิตนะเราก็จะดีขึ้นแล้วถัจากนั้นเนี่ยทความเพีย รู้เป้าหมายการฝึกจิตใจนะฝึกไปเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลนะจะลดละกิเลสได้เจริญกุศลได้ต้องมีสตนะิคอยรู้เท่าทันใจตัวเองไปแล้วถ้าอยากบรรลุมรรคผลนะทำสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจนะรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆแล้วตรงที่เรารู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมถูกต้องเนี่ยสมาธิจะเกิด พอ จ, จิตมีสมาธิแล้วเนี่ยจิตจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงอย่างจิตมันเห็นนะสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับเวลาสุขนะจิตก็ไม่กระเพื่อมขึ้นเวลาทุกข์จิตก็ไม่กระเพื่อมลงไม่แหวงจิตเนี่ยมีสมาธิราบตอนนี้จิตเป็นอุเบกขาจิตอุเบกขาด้วยปัญญาที่เห็นความจริงหนระือทุกอย่างกระเพื่อมไปนะเลยมีปัญญาเห็งความจริงนะทงตัวอยู่นะตัวนี้เรียกว่าจิตมีสังขารู้เปกขายา คือประตูแห่งการบรรลุมรรคผลพวกเราอย่าง่ว ง, งงง่ายนะครูบาอาจารย์สอนสืบทอดกันมานะคําสอนดั้งเดิมของครูบาอาจารย์มันกล่นไปคําสอนรุ่นหลังหลังเรือในพุโทโธพิจนกาการนี่ตื้นเกินไปนะพุโทโธคืออะไรพุโทโธคือจิตนะท่านพุโทโธเพื่อให้เห็นจิตตัวเองอย่าพุโทโธพุธโทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันกนะ็ะจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมานะแล้วจิตนี้รู้จิตนี้รู้ จ ร, ง, จรงฝึกแค่นี้นะก็ถึงพระอรหันต์ได้แล้วที่หลวงตามหาบัวบอกว่าพุโทโธตัวเดียวนี้ น, ะ, นะทําที่ส่วนแห่งถูกได้เลแต่พุโทโธนั้นไม่ใช่คําว่าพุโทโธนะพุโทโธนั้นคือตัวผู้รู้คือตัวจิตนั้นรู้ทันจิตไวหลวงปู่มั่นสอนนะบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะ ในรุ่นหลังๆเนี่ยพุทโธแล้วจิตนิ่งพนอะพุทโธแล้วส่วนใหญ่พุทโธกันจริงจังนะหลมปีจิตจะนิ่งเฉยๆท่านถึงสอนให้พิจารน ก, กายกระตุ้นให้จิตทำงานการพิจารน ก, กายเป็นอุบายเพื่อให้จิตไม่ติดเฉยเท่านั้นเองนะแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านสอนชัดๆเลยนะทำสมถะนะเพื่อให้มีกำลังไปดูจิตดูกาย สมถะเพื่ออะไรสมถะเพื่อให้มีกำลังไปทำมิปัสนาไปดูความจริงของกายของใจนะดูกายเพื่ออะไรดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่ออะไรดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมเนื่องคำสอนดั้งเดิมนะที่หลวงปู่ ม, ม่นสอนลงมาแล้วครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะท่านภาวนามาตั้งแต่หลวงปู่ดูลอาจารย์องค์เล็กที่สุดของหลวงพ่อนะคือหลวงปู่สุบัต ท่านก็ไปเรียนกับหลวงปู่มัน่นท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังเองอ่ะหลวงปูมั่นสอนนะว่าได้จิตคือได้ทําเสียจิตก็เสียธรรมดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายะดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทําสมถนะเนี่ยครูบาอาจารย์สอนกันมาอย่างนี้นะหลังๆมันกล่อนไปเรืองทำจิตให้สงบลูกเดียวเลยนะทําจิตให้นิ่งให้ว่างหาสาระไม่ได้ หลปูม่านสอนนะบอกอย่าทำจิตให้ติดเฉยระวังจิตมันติดเฉยอย่าเฉยนะถ้าจิตติดเฉยเนี่ยก็มีอุบายพิจารณาร่างกายคือคิดนั่นเองเริ่มต้นด้วยการคิดนั่นเองแต่คิดในทางที่ถูกต้องใช่คิดในทางปฏิกูราสุภาษีอไรนี่คือตัวสัมมาสังคป่านั่นเองกระตุ้นมันเราสุดท้ายนจะเดินเข้าไปสู่การมีสตินะ การมีสมัครที่ที่ถูกต้องแล้ววิมุตตถึงจะเกิดขึ้นหลวงปู่ดูลเรียนจากหลวงปู่มั่นเบื้องต้นหลวงปู่ดูลไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนพุทธโธพิยนักกายนี่และท่านไปทําอยู่ไม่กี่มากน้อยนะไม่กี่เดือนหรอกสองสามเดือนย่งเงี้ยท่านก็ผ่านขั้นที่หนึ่งมาหาหลวงปู่มั่นท่านก็บอกหลวงปู่มั่นบอกว่ากิเลสสี่ส่วนผมละเด็ดขาดได้หนึ่งส่วนละคือเป็นพระโสดาละ ส่วนที่สองผมลัาได้ครึ่งหนึ่งยังลัได้ไม่หมดนะลมมมลหลวงปู่มั่นชมว่าเก่งแล้วหลวงปู่มั่นก็เลยสอนบอกว่าให้ดูจิตนะให้ดูจิตไปเลยหลวงปู่ดุก็มาดูจิตตามคำสอนของหลวงปู่มันนะ่นมะใช้เวลาไม่กี่เดือนนะก็แทงทนลุลงไปรู้อริยสัจกลับมาบอกหลวงปู่มั่นนะท่านจบก่อนหลวงปู่มันนะ่นจบตั้งแต่หลวงปู่มั่นยังอยู่บลนนะ แต่กท่านที่วล่ลูกศิลป์หลวงปู่มัน่นน่ะหลวงปู่มั่นเห็นว่าท่านเหมาะกับการดูจิตสอนเลยปัญญาท่านมากหลวงปู่ดูลปัญญาเยอะสอนสะลุเข้าที่จิตเลยแล้ ว, วท่านทะลุได้จริงจริงยิงนั้นพเราจับหลักให้แม่นแม่นนะรักษาศีลไว้แล้วฝึกให้ใจอยู่กับเ น, นกับตัวไว้นะแล้วลงเบื่อจเจริญปัญญาดูจิตได้ดูจิตไปการดูจิตไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าจิต ให้นิ่งๆนะต้องมาให้จิตนิ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตินละแล้วจิตมีปฏิกิริยาขึ้นมามีสติรู้ทันเห็นสาวสวยใจมีราคารู้ว่ามีราคานะแล้วก็ดูช็อตต่อไปเขมีราคาแล้วนักปฏิบัติไม่ชอบไม่ชอบราคะรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยดูเข้ามาจนถึงชอบไม่ชอบนะในสุดจิตจะเป็นกลางจรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลาง ตัวนี้แหละถึงจะได้ของดีอันแรกรู้สภาวะนะเช่นรูปเศ ร, รีนรสปตภาทั้งหลายพอรู้แล้วจิตเกิดปฏิกริยาตอบสนองเช่นเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วมีสติรู้ทันพอเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเราไปรู้ทันสุขทุกข์ดีชั่วอีกเกิดปฏิกริยาอีกชอบไม่ชอบขึ้นมารู้ทันอีกช็อตหนึ่งนะรู้อย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลาง การปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวเลยไม่งั้นก็อ้อมค้อมไปเรื่อยๆไม่ได้เรื่องหรอกเอาไปกินข้าวไป